Book 2 99 99าคำแสดงความเป็นเจ้าของ Genitive แมวของแฟนดิฉัน สุนัขของแฟนดิฉัน Pass mog p r i a เ e l j a ของเล่นของลูกดิฉัน Igračke moje dijete นี่คือเสือ้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Ovoje mantil mog kolege นั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน Owoje auto moje kolegice นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน o v o j p o s a m o i h kolega กระดุมของเสื้อหายไป Düğme na k o s z otpalo กุญแจโรงรถหายไปคลูชอดการาเจเคอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสียเชฟฟ์ของคอมพิวเตอร์เยปอกวาใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงค o สซูรอดิเตลลีเดวอย i ิเ ดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไรบ้านอยู่ตรงสุดถนนเมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไร หนังสือชื่ออะไรคอยเย่นาสลบหนัลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไรคาโกเซซาวุ่ o เด็กๆโรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไรคดาย่ คุณหมอทางานกี่โมงถึงกี่โมงค a าด s u ซด็อกเตอร์วิเตรมินีซาพิเนเวลาทาการของพิพิธภัณฑ์คืออะไรค a าดายเอโอทวอร์นมูเ